อนาปติวานพิสูุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ401 1. พิกษุคิดว่าสงจะบาดหมางจะทะเลาะจะขัดแย้งหรือจะวิวาดกันจึงไม่บอก 2. พิกษุคิดว่าสงจะแตกแยกหรือจะร้าวรานจึงไม่บอก 3. ภพิกูุคิดว่าผู้นี้กักกะยาบคายจะทำอันตรายแก่ชีวิตหรืออันตรายแก่พรหมจรรันทร์จึงไม่บอก 4. ภพิกูุไม่พบพิกษุเ์อะไอื่นที่สมควรจึงไม่ได้บอก 5. ภพิกูุไม่ต้องการจะปกปิดแต่ยังไม่ได้บอก 6. ภพิกูุคิดว่าเขาจกปรากฏด้วยกรรมของตนเองจึงไม่บอก 7. ภพิกษุวิกลจริต 8. ภพิกูุต้นบัญญัติทุดทุลละสิกขาบทที่ 4. จบ